50 languages. เหตุผลบางประการส க ா ர ண r ் க u m curidal m u n ทไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะนี่ไงเย็นเค้กซอฟต์อิริยาบถอีริกิ ர ் க ள ் ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะนอนเย็นเย็ดเย่คุเรกกระเวนดมดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะเย็ดยคุเรปัติร์กอกะนอนอีเดย์สับปิดอมลอีริกิเรททำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะนิ่งกันเย็นเบียร์คุริคอมลีริริเรดคะ ดิฉันต้องขับรถค่ะนอนวันดิโอตอร์เวนดอมดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะนอนวันดิโอตอเวนดอมแทนบัดอลเบียร์คุยขึ้นเลยทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะนี้เยนกาแฟคุยคอมมอลอีริกกิรยมันเย็นแล้วค่ะ อดออร์ีริดดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะกาแฟออร์อีร์พดอลนองคุดิกกับเวลยทำไมคุณไม่ดื่มชาคะนี่เย็นทีคุดิกคอมลีริกกรอยดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะเย็นนิดหนึ่ க สักรைร ல ் ல ைล ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ําตาลค่ะ non tea คุณได้ก๋มลอิรือใครเรียนอินดรอลเอ็นนิดัมซรร์กเร์ไอิ่ลเลยทำไมคุณไม่ทานซุปนีงวัลเย็นซุปคุณได้ก๋มลหรือใรเริ่มดิฉันไม่ได้สั่งค่ะ n อดร t h ออ order เสียไปเลย ดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะ non อ d ั r รู้ order สีอดั a ง a ัน d ี่ a ดซอฟ a m a l i า i ัลอีริทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะนิ่งกันเย็นอีริขจีซอ i ต์พิรามัลอีริ a l รนครึ่งดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะ non โวล์สไซเบอร ดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัต์ค่ะน้องยังไงที่ซอฟต์วิลล์ย์ยันไม่รอลนอนอรโวไซวบอุ์น้าเว